อัญญีสีคือโซดาปฏิผลเป็นต้นจนถึงอรหัตมักแล้วก็อัญญาตาวินสีคืออรหัตผลดูกราพิสูจนทั้งหลายอินทรีสามประการนี้แหลหมายถึงปัญญาทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3าอย่างเนี่ยนะในอินทรีย์ทั้งหมดนี่นะครับมีอินทรีย์ทั้งหมดอยู่กี่อินทรีย์ครับอินทรีย์ทั้งหมดมี22่ิบสองอินสีนะครับอินทรียกลุ่มแรกเรียกว่าอินรีย์ที่เป็นอายตนะนะครับ คือจากขุนศีโสตินศีคาินศีชิวหินศีกายินทรียและมณินทรีอันนี้เท่ากับรู้ว่าจากอายตนะหกอายตนะภายใน6ก่อนอันดับแรกนะครับนี่เรียกว่าอินรีห6หลังจากนั้นก็รู้ว่าในอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับอินรีย์ที่มาอนุบาลรักษาหล่อเลี้ยงอันนั้นเรียกว่าชีวิตอินทรีย์นะครับ หล่อเลี้ยงภาษาทรูปเป็นต้นอันนั้นก็เป็นรูปชีวิตอินรีย์หล่อเลี้ยงนามคือมณินทรีย์ก็เรียกว่าชีวิตอินทรีย์ที่เป็นอารูปก็เป็นชีวิตอินรีนะเป็นชีวิตที่มารักษาอายตนะแล้วก็อินทรีย์ที่เป็นใหญ่ทางเพศนะครับเป็นเกี่ยวกับไปลายเพศชายเพศหญิงอันนั้นเรียกว่าอิทินรีและปุริสินทรีย์ทีนี้นี่เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นเหตุนะครับอินทรีย์ที่เป็นผลนะครับเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ชีวิตอินทรีย์แล้วก็ภาวะทําให้เกิดอะไรครับทําให้เกิดสุขขินรียทุกขินรียโสมนัสสินรียอุเบกขินรียและโทมนัสสินรียนะครับอินทรีย์ทั้ง5้าเนี่ยเป็นผลของอินทรีอันนั้นนะได้เสวยผลของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นเช่นทางตาก็ทําให้เกิดอ่ะนะอุเบกขาเกิดโสมนัสโทมนัสถ้าทางกายก็เป็นสุขทุกแม้กระทั่งนะครับถ้าทวารที่เหลือก็เป็นโสมนัสโทมนัสและก็อุเบกขาเป็นต้นเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่เสวยอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่เสวยของอินทรีย์นะเป็นผลของการเสวยก็คืออนะอินทรีย์ห้านะครับเวทนาเวทนินทรีย์นะครับเวทนาทั้งห้าทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลเห็นโทษเห็นภัยของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติตามอินทรีย์ห้าคือสัตทินทรีย์วิริทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์และปัญทรีย์นะครับ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกกําจัดอินทรีย์ที่เหลือด้วยศรัท ธ, ธาเป็นต้นนะครับทีนี้ผลของการเจริญศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็คือนี่นะครับโสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นผลของการเจริญสัตทินทรีย์เป็นต้นนะครับทีนี้ยกข้อความที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระมา3ข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้น19ข้อที่เหลือเท่ากับแสดงแล้วนะครับเอาหัวมากล่าวนะครับสันทายทายก็เท่ากับพูดแล้วนะครับ เอามงกุฎมาพูดแล้วตัวไม่พูดได้ยังไงนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าปฐมยานนะครับคืออนัญญะตัญยศามีตินซีย่อมเกิดแก่พระเสคขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางตรงในเพราะความสิ้นกิเลสนะครับภารหัสย่อมเกิดในลำดับแห่งยานนั้นนะครับคือหมายาวว่าอินรีทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยลาดับแล้วนะครับ ญาณคือปัจเวกย่อมเกิดแก่พระขีนาสพัญญาตาวินศีคืออรหัตผลเนี่ยนะครับผู้ผู้พ้นวิเศษแล้วผู้คงที่ต่อจากอรหัตนั้นว่าวิมุติของเราไม่กำเริบเพราะความสิ้นไปแห่งภาวะสังโยชน์คือหมายคือว่าปัจเวกขณะญาณเนี่ยนะครับเกิดต่อจากอารหัตผลแนละ้วก็บอกว่าพออรหัตผลเกิดแล้วนะโอ้วิมุตไม่กำเริบอีกแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยอินทรีย์พู้ระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทไซบุคคลนั้นชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีนายที่สุดหมายถึงว่าเป็นผ้าอรหันแล้วนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติได้ตามนี้บทว่าอินทริยานี้ความว่าชื่อว่าอินทรีย์พระอถ า, าวาเป็นใหญ่ยิ่งนะครับคือยิ่งใหญ่จริงๆ อธิบายว่าธรรมชาติเหล่าใดาเป็นประนึงว่าเป็นใหญ่ในสหชาติธรรมทั้งหลายอันสหชาตธรรมเหล่านั้นจะต้องคล้อยตามธรรมชาตินั้นชื่อว่าอินทรีย์นะครับคนอื่นต้องต้องยอมเขาอะนะยกให้เขาเลยนะครับเช่นตาเนี่ยนะในการเห็นเนี่ยนะครับรูปอื่นๆต้องยกให้ตาทั้งหมดนะครับตาเนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นจริงๆถ้าในเรื่องการฟังเสียงต้องยกให้หูเขานะครับเขาเป็นใหญ่จริงๆถ้าในเรื่องรู้กลิ่นนะครับต้องยกให้จมูกเขานะครเขาก็ใหญ่นะ ถ้ายกในเรื่องรับรู้รสต้องยกให้ลิ้นเข้าไปนะครับถ้ารับผกระทบโภาะต้องยกให้กายเข้าไปถ้าเรื่องรับรู้อารมณ์ทั่วๆไปก็ต้องยกให้ใจไปนะครับนะถ้าเรื่องการรักษามไม่ให้ตายก็ยกให้ชีวิตไปนะครับถ้าใหญ่กับชายกับหญิงก็เอาภาวะไปนะครับยกให้ภาวะเขาเป็นใหญ่ถ้าหากว่าผลของการเสวย ผลเนี่ยนะครับถ้ากระทบแรงเอาทุก์เขาเป็นใหญ่นะครับถ้ากระทบดีสุขเขาก็เป็นใหญ่นะครับอารมณ์ที่น่าปรานาก็โสมนัสอารมณ์ที่ไม่น่าปรานะโทม น, นัสเขาก็เป็นใหญ่อารมณ์ธรรมดาทั่วไปอุเบขาเขาก็เป็นใหญ่นะครับแต่ถ้าจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะครับจะต้องมีศรัทธาเป็นใหญ่วิริยะสติสมาธิเป็นใหญ่นะครับแล้วเป็นใหญ่เหล่านี้ต้องส ม, ม่ําเสมอกันนะครับ นะแต่แต่ใหญ่เฉพาะตัวเฉพาะตัวไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นต้องใหญ่สมดุลกันนะครับโสดาปฏิมจรจึงจะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่สรุปว่าใหญ่ๆนะครับคนใหญ่ๆเข้ามาเจอกันนะครับจึงจะทํางานสําเร็จนะครับอัตกถาอินทรียสูตรว่าบทว่าอินทริยานิความว่าชื่อว่าอินทรีย์พระอัฐ่าว่าเป็นใหญ่ยิ่งอย่างที่กล่าวไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินซีเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่เป็นธรรมมิสอนและประกอบด้วยความเป็นใหญ่แห่งจิตอันยอดเยี่ยมทรงเห็นแล้วคือทรงบรรลุแล้วก่อนกว่าทุกคนนะครับอินซีทั้งหมดเราเนี้นะพระพุทธเจ้ารู้ก่อนเพื่อนว่า ง, งั้นเถอะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ธรรมมิสอนเนี่ยนะเห็นเป็นเป็นผู้แรกเลย พอพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ทรงแสดงแก่คนเหล่าอื่นกว่าทุกคนนะครับผู้ที่จะมาสอนอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนก่อนเพราะทรงเห็นแล้วด้วยอารามณภาวนานะครับคือเช่นอินทรีย์ที่เป็นโลกิยะนะครับพระองค์เห็นแล้วด้วยอารมณ์คือโดยการเข้าไปปัจเวกเข้าไปพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับส่วนศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์เห็นด้วยการภาวนาทำให้มีขึ้นนะครับ หนะ้าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยนะครับพระองค์เห็นโดยการพิจารณานะชีวิตอินทรีย์ก็เห็นโดยการพิจารณาครับภาวะรูปหรือเวทนาทั้งหลายก็เห็นโดยการพิจารณาส่วนศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับจนถึงโล ก, กุตระพระองค์ก็ทําให้มีขึ้นโดยภาวนาด้วยและการพิจารณาด้วยนะครับสรุปแล้วพระองค์เนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้อย่างตลอดสายอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งบุญกรรมที่เป็นใหญ่ นะครับคือเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรดัง <No นี้นะครับนนเป็นบุญกรรมที่ใหญ่มากเลยนะครับโดยเฉพาะศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นบุญที่ใหญ่มากนะครับศรัทธาวิริยะก็เป็นกรรมที่ใหญ่บุญกรรมที่ยิ่งใหญ่นะสติก็เป็นบุญกรรมที่ยิ่งใหญ่สมาธิตัญญาก็เป็นบุญกรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นอุปนิสัยแห่งมรดและผลเป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าไม่มีศรัทธาเป็นต้นนะครับมรดผลก็อย่าวังเลยนะครับว่าจากปรสรุได้ว่าจากบรรลุได้ บทว่าอนัญญาตัญยัตสามีตินได้ยังได้แก่อินรีที่เกิดขึ้นในตอนต้นของผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจะ บ, บรรลุอมตะ บ, บทหรืออริยสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่ที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยบรรลุในสงสารที่มีที่สุดอันบุคคลตามไปไม่รู้แล้วนี้เป็นชื่อของปัญญาในโซดาปฏิมัก โอ้สังสารอันไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะครับกว่าจะมาแทงตลอดอันนี้เนี่ยนะแทงตลอดครั้งแรกอันนี้แหละครับเรียกว่าโซดาปฏิมักนะครับเพราะก่อนหน้านี้มาไม่เคยเห็นเลยนะครับในสังสารวัต e อันไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะครับเพิ่งมาเห็นนี่แหละครับในการเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอนัญญาตัญญัตสามีตินรีนะครับเป็นใหญ่ในการเห็นที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ บทว่าอันยินดียังได้แก่เป็นใหญ่โดยรู้ทั่วนะครับคือหมายความว่าเคยรู้แล้วเนี่ยนะครับในบทว่าอันยินดียังนี้มีอัตถพจน์ดังต่อไปนี้อินทรีย์ชื่อว่าอัญญาพราะรู้ทั่วคือรู้ไม่เกินขอบเขตธรรมะที่ได้เห็นแล้วนะครับโสดาปฏิผลเป็นต้นเนี่ยนะครับที่รู้เนี่ยก็รู้ตามที่เคยรู้มาแล้วนะครับไม่ได้รู้พิเศษขึ้นอะไรนะครับคือรู้อริยสัจ เหมือนเดิมนะ่ยแนวเดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้กว้างขวางขึ้นละเอียดขึ้นแต่ฉานขึ้นอ่ะนะแต่ก็คือในสิ่งที่รู้แล้วนะครับในขอบเขตที่เคยรู้แล้วแต่รู้ละเอียดกว่าเดิมเป็นต้นนั่นเองนะครับก็ยังไงก็รู้อริยสัจแต่ว่าเป็นการรู้ที่ละเอียดมากกว่าเดิมนัก น, นะครับแต่ว่าขอบเขตของการรู้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอริยสัจเหมือนเดิมอุปมาเหมือนปัญญาในปฐมมรักย่อมเป็นไปด้วยสามารถแห่งการบรรลุด้วยปริญญากิจ เป็นต้นในทุกเป็นต้นชั้นใดแม้ปัญญานี้ก็เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัญญานั้นด้วยชื่อว่าเป็นอินทรีย์ด้วยโดยความหมายดังที่กล่าวแล้วคือหมายความว่าทําวิจัยอริยสัจเหมือนกันไม่มีความต่างกันอะไรเลยในการใไข่ครววอริยสัจนะครับถ้าปัญญาในโสดาปฏิมาคเนี่ยนะพิจารณาทุกอย่างไรปัญญาที่ในมักที่เหลือก็พิจารณาทุกอย่างนั้นแหละพิจารณาตามแนวเดียวกันแต่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับเป็นชั้นชัชั้น ช, นชนไป ถ้าจะอุปมาณะอย่างป้อนหนึ่งก็เรียนกอไก่นะครับปริญญาเอกก็ยังอยู่ในกอไก่อยู่นั่นแหละครับถามว่าพ้นไหมก็เอากอไก่นั่นแหละมาเขียนอยู่ดีนะครับใช่ไหมครับแต่ว่าความละเอียดละ อ, อปะนี้ก็มีความแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันมากนะโสดาปฏิมากรกับสกธาคามีก็ละเอียดแตกต่างกันมากแตกต่างแค่ไหนก็ก็ขนาดว่าลูกของอนาถบินทิกะยังเรียกพ่อว่าน้องชายของกันเพราะว่าน้องโดยคุณธรรมนะครับนะ พ่อนี่หนักใจเลยนะโอ้ลูกเราทำไมเพอ้อขนาดนี้เไม่ได้เพอ้อน้องชายเหมือ น, นั้นยังว่าน้องชายยังครับอีกเมืนนบิดว่าอัญญาตาวินรียังได้แก่อินทร์ของพระอริยะบุคคลผู้รู้ทั่วถึงแล้วเพราะเกิดขึ้นแต่ท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วคือพระขีนาสพนะครับคือหมายความว่าผู้ที่เป็นธารหันเท่านั้นนะครับจึงจะรู้ทั่วแบบนี้นะครับ ผู้มีกิจด้วยยางสำเร็จแล้วในสัตว์จะทั้งสี่และเป็นแดนเกิดแห่งอินซีแปดนะครับก็ในบรรดาอินซีย์8อย่างนี้นะครับข้อแรกและข้อสุดท้ายเพิ่งทราบว่าตั้งอยู่ในฐานะโสดาปฏิมรักที่หนึ่งนะครับอินซีข้อหนึ่งคืออนัญญาตัญญาสามีตินซีนะครับเป็นชื่อของโสดาปฏิมรักนะครับส่วนอนัญญาตาวินซี อันนี้เป็นชื่อของอรหัตตะผลนะครับระหว่างนั้นมี6นะครับคือมรซีผลซีใช่ไหมครับเอาข้อ1นึกับข้อแออกก็จะเหลือข้อสองถึงข้อข้อเจ็ดหกข้อนี้เรียกว่าอันยินซีนะครับเรียกว่าอันยินซีนะครับนะแยกหกับ8ออกไปก่อนก็เหลือข้อ2ก็ถึงข้อ7นะครับทีนี้ในคาถานะครับในคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ปฐมยานนะครับคืออนัญญตัญยสาามีตินทรีย์ย่อมเกิดแก่พระเสขาผู้ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ปฏิบัติตามทางอันตรงในเพราะความสิ้นกิเลสผ่ารหัตคืออัญยินทรียย่อมเกิดขึ้นในลำดับนั้นนะครับยานคือปัจเจเวคขณะย่อมเกิดขึ้นแก่พระขีณาศพนะครับอนยาตาวินทรียผู้พ้นวิเศษแล้ว ผู้คงที่ต่อจากพาหัสนั้นว่าวิมุติของเราไม่กำเริบเพราะความสิ้นตายแห่งภาวะสังโยชน์ถ้าว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ผู้สงบประงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทไซบุคคลนั้นชนะมารพร้อมทั้งพาหณะแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งมีร่างกายอันมีในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอัตถกถาอธิบายว่า บทว่าศิกมานัสะความว่าศึกษาอยู่คือบำเพ็ญอยู่ซึ่งอธิศีแลสศิษยาเป็นต้นนะครับควาว่ า, านะานะนะเกิดแก่พระเสขาผู้ยังต้องศึกษาอยู่นะครับคือหมายก็ว่าอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเกิดสำหรับผู้ที่เจริญอธิศีแลสศิษยาอธิจิตศิษยาและอธิปัญญาศิษขาเท่านั้นนะครับ บทว่าอุชุมมัคคานุสาริโนความว่าอริยมรรคเรียกว่าทางตรงนะครับไม่ทางเบี่ยงนะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีส่วนสุดเลยว่างั้นเถอะเป็นทางตรงจริงๆผู้ชื่อว่าตามระลึกถึงทางตรงเพราะระลึกถึงทางตรงนั้นๆเนืองๆเหตุที่เว้นจากส่วนสุดทั้งสองนะครับคือเว้นจากอตตะกิลมัทานุโยคเว้นจากการมัศุขาลิการุโยคเดินทางตรงคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับซึ่งอริยมรรคนี้ก็จะเกิดโดยลําดับนะครับ บทว่าขยัสมิงความว่ายานในมัคอันเลิศคืออรหัตมัคคื อ, อกล่าวคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปเพราะกิเลสสิ้นไปโดยไม่เหลือเกิดขึ้นก่อนคือทีแรกเทียวทีเดียวนะครับบทว่าตะโตอัญญาอนันตราความว่าต่อจากมัคคายานนั้นไปอรหัตผลก็เกิดขึ้นนี่อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งนะครับบทว่าอุชุมัคคานุสาริโนความว่า สำหรับพระโยคาวาจรผู้ระลึกถึงนงเนืองคือติดตามได้แก่ปฏิบัติมัชชั้นต้นที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการเวน้นความหดหู่ความฟุ้งซ่านความชงักและความกระตือรือร้นเป็นต้นแล้วเจริญวิปัสสนานครับคือเว้นจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็มาบำเพ็ญวิปัสสนาทั้งหลายนี่นะครับให้เป็นยุคคณธรรมคือทําคู่นะครับสมถาวิปัสสนาให้เป็นธรรมะคู่ในลำดับแห่งโครตรภูยานนะพอเว้นจาก นิวรณ์ก็เจริญสมถะและวิปั ส, สนาควบคู่กันนะครับให้สมถะวิปั ส, สนาเนี่ยนะครับหรือโดยเฉพาะวิปั ส, สนาดำเนินจนถึงโคตรภูยานอนัญยะตัญยะสามีตินีคือยานที่หนึ่งจะบังเกิดขึ้นในโสดาปฏิมัติที่เชื่อว่าเป็นที่สิ้นไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันอันท่านเห็นแล้วสิ้นไปนะครับเรียกว่าพอโสดาปฏิมัตินะกิเลสที่ เกิดขึ้นเพราะการเห็นนิพานนี่ก็สิ้นไปเช่นสกายยะที่ถก็สิ้นไปศีลพรพตาปรามาสก็สิ้นไปวิจิกิจชาก็สิ้นไปนะครับบทว่าตะโตอัญญาอนันตราความว่าต่อจากปฐมยานนั้นคือตั้งแต่ระยะเวลาติดต่อกันไปจนถึงอัญญาคือมรึกเบื้องสูงได้แก่รหัตมรึกอันยินสีย่อมเกิดขึ้นนะครับ โสดาปฏิพลนะครับก็เป็นอุปนิสัยให้สักทาคามิมกักสกทาคามิพลก็เป็นอุปนิสัยให้อนาคามีมกักอนาคามีผลก็เป็นอุปนิสัยให้อรหัตตมักนะครับอรหัตตมักก็ยังเรียกว่าอัญญีสีอยู่นั่นแหละครับอัญญีสีก็เกิดขึ้นบทว่าตะโตอัญญาวิมุตตสละหลังจากอัญญาคืออัญญาา น, นั้นคือต่อจากอารหัตตมักขยานปัจเจเขณะยาณก็ เกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรผู้หลุดพ้นแล้วด้วยอรหัตผลหมายคําว่าปัจเจเวขณะยานต้องเกิดต่อจากอารหัตผลนะครับอรหัตมร์อรหัตผลและปัจเจเขณะยานนะครับจึงเกิดขึ้นคืออัญญาตาวินศีโดยปัญญาวิมุตต์บทว่ายาณังเวโหติตาที่โนความว่าในเวลาต่อจากการบรรลุอรหัตผลปัจเจเขณะยานจะเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพผู้ถึงลักษณะนะครับ ของผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมเป็นต้นนะครับคือท่านจะรับอารมณ์ใดๆท่านก็ยังคงที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมสํานวนที่ว่าเอาอุจจาระมาทาตัวข้างหนึ่งหรือเอาดอกไม้มาทาตัวข้างหนึ่งจิตก็ไม่ได้เป็นอื่นเลยนะครับจิตก็ยังมั่นคงอยู่เท่าเดิมเรียกว่าตาที่โนน ะ, ะพระพุทธเจ้านี้มั่นคงขนาดนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอากุปาเมวิมุตเ วิมุตของเราไม่กำเริบดังนี้เพื่อจะแก้ข้อสงสัยว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะนะคือปัจเจกคณายานของพระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเกิดว่าวิมุตของเราไม่กำเริบแล้วคือไม่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุแห่งการที่ผู้หลุดพ้นแล้วไม่กำเริบว่าภวะสังโยชนะขยาเพราะความสิ้นไปแห่งพบไม่มีพบอีกแล้ว นะปฏิสนธิวิบากกรรมมรุปในภพใดใดก็ไม่มีอีกสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องมัดเอาไว้ในวัตตะใดๆก็ไม่มีเหลือนะครับเพราะฉะนั้นอ า, อากุปปาเมวิมุตตินะครับวิมุติของเราไม่กำเริบแล้วยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกิจจบแล้วเนี่ยาจักรู้ได้ด้วยปัจเจเวคขณะยาน บดนี้เมื่อจะทรงชมเชยพระขีนาสบเช่นนั้นจึงตรัสพระคาถาที่สามว่าสเวอินริยะสัมปันโนพระขีนาสบนั่นแหละเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินซีนะอินซีที่กล่าวเนี่ยนะผ้ารหันนี่แหละจริงจักมีได้บรรณาบทเหล่านั้นบทว่าอินริยสัมปันโนความว่าผู้ประกอบด้วยโล ก, กุตระอินซีสามอย่างตามที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบพร้อมแล้วคือบริบูรณ์แล้วด้วยอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นที่บริสุทธิ์บ้างที่ได้จากความสงบระงับบ้างนะศรัทธาที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็สงบระงับนะต่อจากนั้นไปประกอบพร้อมด้วยอินทรีย์ทั้งหลายมีจกักูุเป็นต้นที่สงบระงับดีแล้วที่ปราศจากการซ่องเสพที่ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมรรคผลบังเกิดขึ้นแล้วนะครับระดับอรหัตตมรรคอรหัตผลเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นไปนะครับจกักษุของท่านก็สงบนะครับหูของท่านก็ไม่เอาไปฟังสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแน่นอนนะครับเพรา ะ, ะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจยก็เป็นผู้สงบระงับเพราะฉะนั้นพระพาหิยะไปเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเดินบิณฑบาตก็ศรัทธาเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่สังวรจริงๆนะครับเห็นแล้วว่าสังวรสำรวมระวังมากนะครับ โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสันโตสงบประ ง, งับแล้วอธิบายว่าสงบประ ง, งับแล้วด้วยความสงบความกังวนกวายอันเกิดจากกิเลสทั้งมวลบดว่าสันติปเทระโตความว่ายินดียิ่งแล้วคือน้อมใจไปแล้วในพระนิพพานอันหนึ่งในพระคถานี้ด้วยบดว่าอินเดียสัมปันโนน้ทรงแสดงความที่พระขีนาสบนั้น เป็นผู้มีมรรคอันเจริญแล้วและความเป็นผู้มีขันอันกําหนดรู้แล้วนะครับคือมรรคทั้ง4ี่นะครับผ้ารหัสเจริญหมดแล้วนะครับเช่นโสดาสกาทาคานาคาหัตมะนี่เจริญหมดแล้วแล้วก็ขันทั้ง5้าก็กําหนดรู้หมดแล้วเพราะความที่ท่านรอบรู้ขันทั้ง5้านี่แหละครับท่านจึงไม่ขึ้นไม่ลงในขันห้าแต่ละอย่างเมื่อแปรไปบทว่าสันโตนี้ทรงแสดงถึงความที่พระขีณาศพเป็นผู้ละ กิเลสได้แล้วนะครับไม่มีความเศร้าหมองในทุกข์ขันแล้วนะครับนะไม่มีอะไรไปทําให้จิตท่านเศร้าหมองในในทุกข์ขันนะครับถึงจะรับอารมณ์ยังไงใจท่านก็ไม่เศร้าหมองนะครับเพราะอรหัตมรักนี่นะครับตัดอุปนิสัยที่จะให้เศร้าหมองหมดแล้วด้วยบทว่าสันติปเทระโตนี้ทรงแสดงความที่พระขีณาศพนั้นเป็นผู้กระทําให้แจ้งซึ่งนิโรธแล้ว คำที่เหลือก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ยากนะครับก็เคยอธิบายมาหมดแล้วนะนะ yeah, <c oughs>